ทัะพยายานและมรคามรคยานทัศนวิสุทธิผู้ที่บรรลุสมัสนัญญ า, าสามารถรู้เห็นพระไตรลักษณ์ของรูปนามในปัจจุบันโดยประจักษ์และอนุมานรู้พระตตยลักษณ์ของรูปนามอื่นได้โดยไม่ต้องจดจ้องมากนักในลำดับนั้นวิปัสสนุเปกขาคือความวางเฉยด้วยเห็นแจ้งประจักษ์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 ปัญญาในการรู้เห็นความแปรปรวนของสภาวธรรมปัจจุบันชื่อว่าปัญญารู้เห็นความเกิดดับหนึ่งรูปที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบันสองลักษณะเกิดขึ้นของรูปปัจจุบันนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้นสามลักษณะความแปรปรวนชื่อว่าความดับไปสี่การรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไป ชื่อว่าอุทธพยายานในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมรักอธิบายเรื่องนี้ว่าพึงกระทำความใส่ใจในการรู้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมที่เป็นสันตติปัจจุบันหรือขณะปัจจุบันไม่พึงกระทำความใส่ใจการรู้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมที่เป็นอดีตรหรืออนาคตฉะนั้น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 คือนามาทำมอื่นนอกเหนือจากเวทนาสัญญาและวิญญาณอันเป็นการปรุงแต่งเพื่อทากิริยาเห็นและได้ยินเป็นต้นเช่นผสัสสะการกระทบระหว่างจิตกับอารมณ์เหมือนจิตเข้าไปหาอารมณ์หรืออารมณ์เข้าไปหาจิตเจตนาความตั้งใจเป็นการกระตุ้นให้จิตรู้อารมณ์เหมือนวิ่งเข้าไปหาอารมณ์หรือสั่งการว่าจงเห็น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 ขณะที่เกิดขึ้นของวิญญาณปัจจุบันนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้นหกลักษณะความแปลปรวนชื่อว่าความดับไปเจ็ดการรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปชื่อว่าอุทัพพยาญาณลักษณะของเวทนาเป็นต้นโดยสัน ต, ติปัจจุบันเป็นการรู้เห็นความเกิดดับของเวทนาเป็นต้นนั้นโดยการสืบต่อในแต่ละขณะ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 Altung, มาจากที nicht, ่ใดที่หนึ่งเมื่อดับก็ไม่ได้ไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งเป็นสภาวะที่เกิดดับตามปัจจัยแล้วดับไปณตรงนั้นเองและรู้เห็นต่างไปจากเวลาก่อนปฏิบัติธรรมที่เข้าใจผิดว่ารูปที่อย่างปราศจากความดับไปเช่นมือที่คู้เข้ามาเป็นมือของตนในขณะก่อนจะคู้ขณะคู้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 25และขณะดับ25โดยเหตุปัจจัยนอกจากนี้ในบางขณะผู้ประรบความเพียรอาจอนุมานรู้ลักษณะเกิด25คือความเกิด5คูณขันหและลักษณะดับ25ของขัน5โดยเหตุปัจจัยดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมพิามักว่า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 เพราะเป็นสภาพเกิดจากเหตุปัจจัยว่ารูปเกิดขึ้นเพราะความเกิดของอวิชชาตันหากรรมและอาหาร 2. แม้ผู้รู้เห็นลักษณะเกิดขึ้นอยู่ก็รู้เห็นความเกิดของรูปขันส์ 3. ผู้รู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันย่อมรู้เห็นลักษณะทั้งห้าเหล่านี้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 ผู้รู้เห็นความดับไปของรูปขันย่อมรู้เห็นลักษณะทั้ง5เหล่านี้ลักษณะ5ประการที่รู้เห็นได้ตามความดับไปของรูปขันโดยเหตุปัจจัยคือ 1. รูปดับไปเพราะไม่มีอวิชชาเนื่องจากอวิชชาถูกขจัดโดยเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรคสอรูปดับไปเพราะไม่มีตัณหา 3.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 แต่มีข้อแตกต่างกันในลักษณะที่สี่ของเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันเป็นเพราะความเกิดของผัสสะเพราะความดับของผัสสะและลักษณะที่สี่ของวิญญาณขันเป็นนามรูปสมุทยาเพราะความเกิดของรูปนามนามรูปนิโรธา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 และดับไปเมื่อเอาวิชาเป็นต้นดับไปแล้วดังนี้เป็นต้นดังหลักฐานในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมรักและมีคำอธิบายตามลำดับดังนี้ 1. ่อันหนึ่ ง, นงในเรื่องนี้ลำดับแรกคนกล่าวว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันพึงมีได้ด้วยอัตตาปัจจุบัน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 ทำเหล่านั้นปรากฏอยู่แก่เขาย่อมเกิดขึ้นปรากฏอยู่ย่อมตั้งอยู่ปรากฏอยู่ย่อมดับไปคำว่าปัสสันโตรู้เห็นอยู่สำเร็จรูปมาจากทิสาธาตุบวกอออ่างปัจัยบวกอันตะปัจใจเป็นคำแสดงปัจจุบั น, นการโดยขณะปัจจุบันเพราะอันตะปัใจจัยในคำนี้ ลงในปัจจุบันการด้วยสูตรในกัจจายนะวากรณ์ว่าวัตมาเนมานันตาเมื่อปรากฏปัจจุบันการลงมานะและอันตะปัจจัยคำว่าวิธิตาปรากฏอยู่สำเร็จรูปมาจากวิทธาธาต์ภาเวมีปรากฏบวกต่อเตา ปั จ, จัยในปัจจุบันการด้วยสูตรในกั จ, จยนะวายกรณ์ว่าพุทธคมาทิเถกัตติเมื่ออาัฐาของพุทธทาตและขมุทาตเป็นต้นปรากฏอยู่ให้ลงตะปัจจัยในกัตตุสาธนะในคัมภีร์อัตถกถาอธิบายเรื่องนี้ว่า ขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของนามธรรมที่เพิ่งเกิดดับไปย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังนั้นจึงตรัสว่าวิธิตาอุปชันติปรากฏอยู่ย่อมเกิดขึ้นเป็นต้นมัติดังกล่าวจึงขัดแย้งกับพระบาลี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 ท่านอื่นซึ่งได้รับการยอมรับทั่วไปเป็นสมณชรติผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันโดยประจักษ์ได้แล้วย่อมอนุมาณรูปนามที่เป็นอดีตและอนาคตได้ว่าเหมือนรูปนามปัจจุบันที่ตนพบเห็นโดยในว่ารูปนามในอดีตเกิดดับเหมือนรูปนามในปัจจุบันแม้รูปนามในอนาคตก็เกิดดับเหมือนรูปนามในปัจจุบัน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 เขาเห็นสังขารเหล่านั้นปรากฏในยานว่าไม่มีแก่นสารเหมือนทองที่หนักเล่นกลเสกขึ้นหรือความฝันที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือวงกลมของดุนไฟที่แกวงในเวลากลางคืนหรือนครหรือหมู่บ้านที่ถูกเนรมิตขึ้นหรือต่อมน้ำหรือปลีกล้วยเป็นต้นเขาชื่อว่าบรลุตรุณะวิปัสนา คือวิปัสสนาระดับต้นซึ่งมีชื่อว่าอุทพยานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความเกิดดับและได้ชื่อว่าอารัตถวิปัสสนาคือผู้เริ่มปรารบวิปัสสนาเพราะเริ่มวิปัสสนาภาวนาดังข้อความที่กล่าวว่าด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเพียงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนอันดับแรกชื่อว่าหนึ่ง ด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเพียงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุวิปัสนาญาณอย่างอ่อนอันดับแรกชื่อว่าอุทัพยานุปัสนาที่แทงตลอดลักษณะห้สท้วนโดยอาการที่เห็นประจักษ์ว่าสภาวะธรรมที่ดับไปย่อมเกิดขึ้นและสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นย่อมถึงความดับไปสองซึ่งเป็นเหตุให้บุคคล น, นับได้ว่า